ละบัดนี้ขอเชิญท่านผู้ นิพาลบรรเทิงธรรมเรื่องลิง รากสระน้ําตนหนึ่งได้รับมอบหมายจากท้า พญาลิงนั้นมีลิง 80,000 เป็นบริวารทุกวันจะพา ก่อนจะดื่มก่อนจะกินขอให้ถามข้า บางทีก็ลงหายไป เก็บผลไม้กินกันอย่างอิ่มหมีพี ให้พวกเราช้าก่อนพวกเราช้าก่อนช้าอ้าวเจ้านายสั่งว่าหากพบผลไม้หรือ พวกเจ้าเดินน้ํากันแล้วหรือยังเนี่ยอะยังไม่ไหลเจ้าดีอืม มันจะต้องมีรากสกน้ํารักษาเห็นมีแต่รอยเท้าลงไม่เห็นรอยเท้าขึ้นเลย แสดงว่าใครก็ตามที่ลงไปแล้วไม่ๆเสีย ใยรากสกน้ําครั้งแรกที่เห็น ยิ่งเห็นรากสกน้ําลุยใช่มั้ยใช่ใช่มั้ย วงทัดทั้งหมดที่อยู่ใช่เลือดใช่เพราะต้องการดื่มน้ําใช่เพราะ พวกเราจะใช้ไปไปเอามาดูดดื่มไง จงเป็นโครงตลอดไปด้วยเถิดครั้นตั้ง พญาลิง 80,000 ตัว ต่างควากันนั่นดูดน้ําจากสระด้วยลําไม้เฮ้ย มีภารเรื่องนี้พยายามใช้ความรอบขอบแก้ปัญหาให้รู้ว่า